คุณพ่อมีปู่กับย่าที่มีหัวทันสมัยมีอาชีพทำไร่ทำนาเช่นเดียวกันกับบ้านอื่นนะคะมีฐานะที่ไม่ถึงกับลำบากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรโดยท่านทั้งสองได้พยายามส่งเสริมให้พ่อกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวได้ร่ำเรียนกันสูงๆค่ะลูกคนใดไม่อยากจะเรียนต่อก็ไม่ได้บังคับนะคะพ่ออยากจะเรียนต่อ แต่ว่าพ่อก็มีเหตุผลในตอนนั้นเหมือนกับเด็กๆที่ไม่อยากจะเหนื่อยกับการทำมาหากินอย่างที่พ่อแม่ทำมาชั่วนาตาปีปู่กับย่าก็จะถามหาเหตุผลว่ า, าทำไมถึงอยากจะไปเรียนต่อคุณพ่อก็ตอบเอาตัวรอดไปอย่างมั่วสูว้วค่ะบอกว่าอยากจะเป็นข้าราชการพ่อก็เลยได้มาอยู่กับหลวงนาที่วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ คุณพ่อหวาดกลัวขึ้นมานะคะพร้อมกับโทษตัวเองที่เที่ยวโกหกไปทั่วพ่อแค่อยากจะดูโก้ดูเท่ในสายตาของเพื่อนร่วมหมู่บ้านว่าได้เป็นนักเรียนก็เท่านั้นเองแต่ว่าผลการโกหกค่ะทำให้พ่ออ้างว้างไม่เคยได้นอนคนเดียวก็ต้องนอนจำใจแล้วค่ะหลวงนาให้พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง หลวงนาคเคร่งครัดแนวเรื่องการให้พระให้เนนไปปฏิบัติกรรมฐานไม่จัดให้อยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาจิตใจนะคะพ่อก็เลยกลายเป็นเด็กวัดแล้วก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่บ้านก็สบายหาะจะกินจะนอนก็สบายอยู่ที่วัดนี้กินก็ต้องแข่งกันกับเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัดด้วยกันมื้อไหนก็มีอาหารเพียงน้อยนิดก็เป็นอันต้องอดนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยมีอายุมากกว่าเด็กวัดก็เลยต้องทําตัวเป็นผู้เสียสละ ไม่นานนักคุณพ่อก็ชินแต่ว่าไม่กล้าจะกลับบ้านเกรงว่าเพื่อนจะหัวเราะเยาะนะฮะว่าไปเรียนทั้งทีก็ไปอยู่วัดพ่อก็ได้สังเกตบ่อยๆนะฮะว่าที่วัดเนี่ยหมามันเหา่ามันหอนแทบจะทุกคืนเสียงสวดมนต์สิ้นเสียงสวดก็เป็นเสียงแผ่เมตตาก็มีเสียงหมาเห่าหอนอีกครั้งแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะพ่อได้เห็นคนหรือว่าวิญญาณก็หาได้รู้ไหม เป็นตอนกลางคืนน ะ, ะ่ะที่ไม่ค่อยมีบ้านใกล้เรือนเคียงกลับมีคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมายืนห้อมล้อมศาลาไม้ที่ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ชั่วคราวของพระเนนทั้งชายแล้วก็หญิงมีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่มีสภาพทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะที่ดีๆก็มาอย่างปกติ ที่ไม่ดีก็มาอย่างน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเลือดเอ่ยอวัยวะทะลักออกมาเอ่ยตามใบหน้าไม่ครบส่วนหันไปอีกครู่หนึ่งก็ไม่เห็นคนเหล่านั้นอีกแล้วพ่อก็เลยไม่กล้าออกจากห้องในเวลาดึกๆมีอยู่ครั้งนึงหลวงนาบอกให้พ่อขยันสวดมนต์ไหว้พระพ่อเองก็บอกหลวงนาไปบอกครับครับหลวงนาก็พูดอย่างกับรู้นะฮะว่าไอ้ที่ว่าครับครับเนี่ยเมื่อไหร่จะทํา พ่อก็ไม่ได้สวดมนต์สัทีนึกอย่างไรก็ไม่รู้หาวันหนึ่งมีความรู้สึกอยากจะสวดมนต์ ท, ทั้งทั้งที่พ่อบอกนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสวดมนต์เลยพ่อสวดมนต์บทยาวที่สุดเท่าที่เคยสวดมาแล้วก็ทำกันบ้านอ่านหนังสือเรียนจนง่วงนอนแล้วก็ได้ดับไฟตะเกียง แล้วก็ได้ยินเสียงเดินสวบสาบสวบสาบที่ข้างห้องซึ่งเป็นสวนเล็กๆพร้อมกับมีเสียงหมาเห่าหมาหอนนะคะพ่อก็คิดว่าอาน่าจะเป็นพระมาเดินจงกรมซึ่งเสียงเดินช้าๆก้าวแต่ละก้าวทำให้พ่อนึกแล้วก็เข้าใจไปจริงๆว่ามีพระมาเดินจงกรมนะคะพอพ่อนึกได้แบบนั้นพ่อก็นึกเชยชมในความกล้าหาญค่ะได้ยินเสียงหมาเห่าอย่างนี้ก็แปลว่าหมามันเห็นผีเสียงเดินทาให้พอนอนไม่หลับ แล้วพ่อก็นึกได้ว่าที่สวนก่อนจะถึงหน้าห้องตรงที่พ่อนอนเนี่ยเป็นสระน้ําแต่ว่าเสียงเดินใกล้ๆคล้ายกับเดินบริเวณที่ที่เป็นสระน้ําพอคิดได้เท่านี้เสียงเดินก็เงียบหายไปค่ะอีกทั้งคืนนั้นก็คือเป็นคืนเดือนงายที่ห้องของพ่อเปิดหน้าต่างแล้วก็มีเงาเหล็กกั้นตรงหน้าพ่อมองเห็นใครคนหนึ่งโผล่หน้าเข้ามามองในห้องร่างใหญ่ทะมึนมาก เห็นมือสีดำมืดของเขายื่นเข้ามาค่ะแต่ก็เด้งกลับไปอย่างแรงจากนั้นเสียงหมาเสียงอะไรก็แล้วแต่โหยหัววิ่งไล่ตามกันเป็นพรวนไปจนถึงที่เผาศพซึ่งสมัยก่อนนั้นนะคะตามวัดต่างจังหวัดนี่จะไม่มีเมนเผาศพซึ่งใช้วิธีเผาแบบโบราณคือเผาศพกันแบบเห็นจะจะพ่อจึงได้คิดได้นะคะว่าเจอผีเข้าแล้วพอรุ่งเช้าขึ้นมาค่ะเมื่อเจอหลวงนาหลวงนาก็ทักบอกว่าเป็นไงล่ะ เห็นแล้วกลัวไหมขยันสวดมนต์เข้านะเมื่อคือนนี้ถ้าไม่ได้สวดมนต์ผีมันก็เข้าห้องได้จริงๆพ่อพอได้ฟังแบบนั้นนี่ขนลุกเลยนะคะก็งงค่ะว่าเออหลวงนาดูได้ยังไงทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้เอ่ยปากถามเลยพ่อไม่ได้อยากจะสวดมนต์แต่ว่าพ่อก็ต้องสวดเพราะว่าพ่อเองก็ไม่ได้อยากจะเจอผีเหมือนกันนะคะพ่อได้อยู่กับหลวงนาจนกระทั่งเรียนหนังสือจบ แต่ว่ากว่าจะเรียนจบค่ะพ่อก็ได้เจอกับผีอีกหลายรูปแบบจนกลายเป็นคนที่ไม่กลัวผีชินที่จะเจอกับผีพ่อมีเรื่องผีๆมาเล่าให้เราได้ฟังแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อที่เคยเป็นเด็กวัดมาก่อนแล้วก็พบเจอกับผีที่อยู่ในวัดที่พ่อไปอาศัยหลวงนาอยู่นั่นเองค่ะ เรื่องราวที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่คนเฒ่าคนแก่แล้วก็คนเก่าสมัยก่อนเล่าถึงประสบการณ์เรื่องผีดุที่เหมืองปีล็อกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ตอนนั้นการทำเหมืองแร่ที่บ้านอีตองเนี่ยเรียกว่ากำลังเฟื่องฟูมากๆทั้งวุญเฟรมแล้วก็ดีบุกก็มีคนไปลงทุนทำเหมืองกันหลายรายแต่ว่าที่ใหญ่สุดๆก็คือเหมืองสมศักดิ์ค่ะตั้งชื่อตามเจ้าของที่ไปเรียนจบวิศวกรรมเหมืองแร่จากประเทศออสเตรเลียนะคะคนงานทั้งไทยกเกาหลีอยงพมา่ารวมแล้วประมาณสัก5 600คนคือคิดดูละกันว่าเป็นเหมืองใหญ่โตขนาดไหน ตำบลปีล็อกกลายเป็นชุมชนทางนักแสวงโชคผู้คนคึกคักมีชีวิตชีวาร้านค้าสารพัดชนิดเรียงรายกันเป็นอำเภอใหญ่มีโรงหนังโรงละครขนาดละคร scored, พม่ายังยกคณะมาเปิดการแสดงที่นี่กันละกันเมื <m ere pissed off> ่อประมาณสัก50ปีกว่านะคะแรกวุนเฟรมเนี่ยปาเข้าไปกิโลกรัมละ100บาทขณะที่ราคาทองคายังอยู่แค่บาทละไม่ถึง400 ไม่ว่าจะเป็นบาร์หรือว่าเป็นร้านเหล้าล้วนครึกครื้นมีแต่เสียงหัวเราะครึกครื้นเฮฮาของผู้คนที่ไปกอบโกยเงินทองเข้ากระเป๋าไม่มีวี่แววแนะ่ะว่าขุมทรัพย์ใต้ดินจะหมดสิน้นหรือว่าสูญหายไปอย่างง่ายๆค่ะสมัยนั้นการเดินทางจากอำเภอทองผาภูมิไปปีล็อกเรียกว่ายาดเย็นแสนเข็นธุระกันดันเหลือเชื่อชนิดที่ต้องขึ้นขึ้นช้างนะบุกป่าฝ่าข่าไปก็แล้วกัน แม้ว่าจะมีหนทางให้รถยนต์เล่ น, ลนได้นะคะแต่ว่าก็ยากเย็นแสนเข็นจริงๆระยะทางแค่60กว่ากิโลเมตรต้องใช้เวลาถึง 6-7 ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนแล้วแล้วก็นะคะเลิกคิดเลิกฝันถึงการเดินทางไปได้เลยอ๋อไปกันทีนี้ต้องยกขบวนกันไปเป็นกองคาราวานอย่างเบ่อก็ประมาณ 5-6 คันนะคะถ้ามีอุปสรรคยางแตกเครื่องเสียหรือว่าติดหล่มเนี่ยก็จะได้ช่วยกันฉุดกระชากลากดึงกันไปจนได้ แต่ก็ไม่มีใครย่อท้อไปสแสวงโชคขุดแร่เหมือนขุดทองคากันนะคะต่อมาราคาแร่เริ่มตกต่าลงเรื่อยๆแร่ดีบุกกับทางสเตนก็ลดน้อยจนบางแห่งถึงกับหมดสิ้นไปเลยก็มีเหมืองแร่ก็ต่างทยอยกันเลิกกิจการแม้แต่เหมืองใหญ่ที่สุดก็หนีไม่พ้นค่ะร้านรวงน้อยใหญ่ก็เริ่มปิดตายผู้คนต่างกระจัดกระจายกันไปสแสวงโชคที่ใหม่ๆ ตำบลปีล็อกที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็ค่อยๆ อ, อ, อับเชา้าโดยราลงไปตามกฎอนิจจังที่ไม่มีสิ่งใดจะจีรังยั่งยืนไปได้ตลอดการนะคะ จากบรรยากาศคึกครื้นชื่นบานกลับกลายเป็นความเงียบเหงาเศร้าซึมน่าวังเวงใจยามเช้าหมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกหนาทึบแลดูเศร้าหมองแล้วก็ชวนให้หดหูใจเมื่อนึกถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่คงไว้คิดว่าจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกแล้วนะคะเมืองแรกกลายเป็นเมืองเล่นค่ะ ตามโตรกทานที่มีชาวบ้านใช้อุปกรณ์คล้ายกับฝาชีก้นแหลมที่เรียกว่าเลียงมาร่อนแร่ไปขายพอะได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้วันๆส่วนคําว่าปีล็อกคือภาษาอะไรมาจากไหนเป็นคําถามที่น่าสนใจค่ะซึ่งยังไม่มีใครให้คําคตอบได้อย่างกระจ่างว่าเป็นภาษามอญภาษากเกาหลีหรือว่าภาษาพมา่านอกจากจะคาดเดากันไปว่าเพี้ยนมาจาก เมืองผีหลอกนะคะอันเนื่องมาแต่ความเชื่อดั้งเดิมว่าสมัยก่อนเหมืองเหล่านี้เนี่ยมีผีสิงอยู่มาช้านานเกือบร้อยปีแล้วและก็มีคนโดนผีหลอกในเมืองมาหลายรายด้วยกันตั้งแต่มีการขุดดินทําเหมืองในระยะแรกแร ก, ก็มีคนได้รับอุบัติเหตุจนถึงขั้นล้มตายอยู่บ่อยครั้งวิญญาณอันเจ็บปวดแล้วก็ทุกทรมานแสนสาหัสก็ได้สิงสู่อยู่ในเหมืองต่างๆปรากฏกายให้คนเห็นบ่อยครั้ง บางทีก็พบเห็นกันในเมืองใต้ดินค่ะเห็นเดินนำหน้าอยู่ดีๆขณะที่เดินตามหลังโดยไม่ได้หวาดระแวงอยู่ๆก็เลี้ยวหายไปต่อหน้าต่อตาก็เล่นเอาหมุนตัวกลับเพ่นกระเจิงแทบไม่หายใจหายคอออกมาบอกกล่าวให้เพื่อนฝูงฟังบางครั้งนะก็มีคนได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญด้วยความทุกข์ความโศกอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อเข้าไปดูให้แน่ใจกลับไม่เห็นอะไรเลยค่ะ บางครั้งก็มีเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือดังสะถานเข้าหูพวกคนงานหลายคนแต่เมื่อชวนกันไปดูก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวส่วนมากก็จะเป็นเงาแบบวับวั บ, บแวมแวมอยู่ในสายหมอกท่ามกลางบรรยากาศเยือกเย็นในหุบเขาเสียงหมาเห่าหมาหอนจากที่ไกลๆ ก, กับเสียงยอดไม้สะบัดลมสู้ซาฟังเผนอ เ, เ, เหมือนเสียงใครกําลังทอดถอนใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างเหลือประมาณนะคะ ขึ้นชื่อหรือชา ว, ว่าเป็นเหมืองผีหลอกจนกลายเป็นเหมืองปีล็อกที่รอการคลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกาญจะนะบุรีถ้าได้รับการส่งเสริมจากทางการที่เกี่ยวข้องต้องบอกว่าที่นี่ต้องกลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยเดิมอย่างแน่นอนเลยละค่ะ เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวและก็เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อหลาย10ปีแล้วตั้งแต่สมัยที่คุณยุทธยังเป็นเด็กอายุแค่12ปีเท่านั้นในสมัยนั้นทางบ้านของคุณยุทธมีอาชีพทําสวนมะพร้าวทุก4ีหเดือนผลผลิตก็คือมะพร้าวค่ะก็แก่เต็มที่จึงต้องมีการไปเก็บเอามาขายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นถนนหนทางการคมนาคมยังไม่สะดวกสบายเหมือนในสมัยนี้ อีกอย่างหนึ่งสวนมะพร้าวที่บ้านคุณยุทธนั้นก็อยู่ไกลจากที่พักพอสมควรทีเดียวการเดินทางโดยใช้รถยนต์นั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะว่าถนนยังเข้าไม่ถึงรอบๆข้างทางสวนมะพร้าวทั้งหมดนะคะการขนส่งก็เลยต้องใช้เรือแทน เย็นวันนึงค่ะหลังจากที่เด็กชายยุตเลิกเรียนแล้วกลับบ้านพี่ชายก็เดินตรงมาบอกบอกว่าวันนี้เนี่ยเองต้องไปช่วยพี่ขนมะพร้าวนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผลมะพร้าวออกมาเยอะมากเรือสองลำขนไม่หมดประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะทุกคนก็ออกเดินทางนะคะซึ่งมีเรือไปทั้งหมด3ลําโดยมีคุณแม่แล้วก็คุณนะ้าของเด็กชายยุธพายไปด้วยหนึ่งลำคุณป้าหนึ่งลำแล้วก็ลําสุดท้ายก็คือเด็กชายยุตกับพี่ชายนั่นเอง ทุกคนพายเรือมาตามแม่น้ำจนถึงปากคลองแห่งหนึ่งซึ่งคลองนี้เป็นคลองที่เป็นทางลัดทำให้ประหยัดเวลาได้พอสมควรค่ะเด็กชายยุดแล้วก็พี่ชายพายเรือเข้ามาในคลองเป็นลํำรั้งท้ายประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านค้าริมน้ำอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านของคุณน้าของเด็กชายยุดนั่นเองลักษณะก็เป็นร้านค้าธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามีการปลูกยื่นลงมาริมน้านิดหน่อย ที่ริมฝั่งบนร้านนั้นก็จะมีบรรดาลุงๆป้าๆนะาๆที่เด็กชายยุทธรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่งคุยกันอยู่อยู่ดีๆนะคนหนึ่งในวงแกชื่อวันออสก็ทักเด็กชายยุดขึ้นมาแบบแปลกๆบอกว่าเฮ้ยขากลับเนี่อรังโดนผีหลอกนะเว้ยวันนี้วันพระเขาปล่อยผีกันแล้วพวกนั้นๆเนี่ยก็หัวเราะ ก, กันทั้งวงเลยค่ะเนื่องจากรู้ดีว่าเด็กชายยุดเนี่ยกลัวผี จริงๆแล้วทีแรกเด็กชายยุทธก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกเพราะคิดว่าพวกน้าเนี่ยจะล้อเล่นแต่ว่าบรรยากาศของวันนั้นเนี่ยมันน่าขนลุกจริงๆเด็กชายยุทธและพี่ชายก็พายเรือต่อไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งก็มาถึงทางโค้งของลําคลองตรงช่วงที่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของผู้หญิงชาราที่ชื่อว่ายายแจ่มแกเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องค่ะอาศัยอยู่คนเดียวมีเพื่อนคือหมาแค่2ตัวเท่านั้นบรรยากาศตรงบ้านของแกนี่น่ากลัวมาก คุณผู้ฟังลองนึกถึงบ้านในหนังเรื่องบ้านผีปอบหรือว่าแม่นาคพักโนงอะไรประมาณนี้นะคะตรงหน้าบ้านของแกจะมีกอไผ่ยอยู่1กอเวลากลางคืนพายเรือผ่านทีไรเนี่ยก็จะมีลมพัดเสียงไผ่ก็จะเสียสีกันดังจนหน้าขนลุกเลยทีเดียวพอเรือพายกําลังจะถึงหน้าบ้านแกหมาของแกก็วิ่งตรงมาที่หัวสะพานแล้วก็เห่าเหมือนทุกครั้งค่ะเด็กชายยุทธก็เตรียมลูกมะพร้าวลูกเล็กๆจะเอาไวป้ปาไล่หมา แต่ว่าวันนี้ค่ะคว้างออกไปเกิดพลาดลูกมะพร้าวเนี่ยกระดอนไปโดนข้างๆบ้านเสียงดังปังเลยนะคะจากนั้นเด็กชายยุทธก็ได้ยินเสียงคนดังลอดออกมาจากตัวบ้านเป็นเสียงครางในลําคอดังฮือๆนะคะเด็กชายยุทธก็เลยหันไปบอกพี่ชายให้รีบพายไปเร็วๆ เ, เดี๋ยวเจ๊แจมออกมาดา่าเอาแต่ว่าพี่ชายของเด็กชายยุทธนี่กลับหัวเราะแล้วก็พูดบอกว่าเจ๊แจมจะมาด่าเองได้ยังไงวะก็แกเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเอ็งไม่รู้หรอเอา้า เมื่อกี้นี้พี่ไม่ได้ยินเสียงเหรอเด็กชายยุธก็ถามพี่ค่ะพี่ก็ตอบกลับไปบอกเสียงอะไรเขาไม่เห็นได้ยินเลยแล้วก็บอกให้เด็กชายยุดเนี่ยรีบพายเรือเร็วเข้าเดี๋ยวจะมีอ่าเดี๋ยวมันจะมืดกันพอดีเด็กชายยุธก็เลยเลิกสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หันไปพายเรือต่อแต่ว่าในใจนี้ก็ยังกลัวๆอยู่นะ ทุกคนก็พายเรือกันต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงสวนแล้วก็รีบช่วยกันขนมะพระ้าวลงเรือเพราะกลัวว่าขากลับมันจะมืดกว่าทุกอย่างจะเสร็จก็ประมาณหกโมงครึ่งและฟ้าก็เริ่มมืดเด็กชายยุทธก็เลยนําตะเกียงที่เตรียมไว้นี่ออกมาจุดค่ะแล้วก็รีบออกเดินทางกลับขากลับก็เหมือนเดิมคือเด็กชายยุทธกับพี่ชายพายเรือเป็นลําปิดท้ายทุกคนพายเรือย้อนกลับไปตามทางเดิมที่มา แต่ว่าขากลับเนี่ยมีมะพร้าวขนมาเต็มลําเรือค่ะก็เลยทำให้การเดินทางช้าลงกว่าตอนมาสองเท่าตัวเลยนะเรือสองลด้านหน้าเนี่ยขนน้อยกว่าลาแรกอ่าขออภัยค่ะขนน้อยกว่าลาของเด็กชายยุทธก็เลยค่อยค่พายห่างออกไปเรื่อยๆ บรรยากาศในตอนขากลับเนี่ยไม่เหมือนตอนขามาเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ได้รับหายไปแล้วมีเพียงแค่แสงของตะเกียงเท่านั้นที่นําทางไปสองข้างทางนั้นเนี่ยเป็นป่าต้นจากแล้วก็สวนมะพร้าวเท่านั้นแทบจะไม่มีแสงสว่างจากบ้านคนให้เห็นเลยทั้งสองคนพายเรือกันมาสักพักหนึ่งก็มาถึงแถวโคง้งบ้านยายแจ่มค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีลมพัดมาอย่างแรง จนต้นจากที่อยู่ริมคลองนีิเองไปมาสักพักหนึ่งลมก็หยุดนิ่งไปเฉยๆแล้วอยู่ๆทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวตกลงมาในน้ำนะคะเสียงดังตู้มเลยเสียงมันเหมือนกับเสียงที่ตกลงมาหลายลูกนะคะแต่ที่ผิดสังเกตคือน้ําไม่มีการกระเพื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งคู่ถึงกับชะ ง, งักค่ะหยุดพายเรือเพื่อมองว่ามันเป็นอะไรกันแน่แล้วเด็กชายหยุดก็เกิดหลุดปากทักออกปายบอกว่าเสียงอะไรวะ พี่ชายก็เลยบอกไอ้เวนนี่กลางค่ำกลางคืนก็ห้ามทักอะไรส่งเดชเองนี่สอนไม่เคยจําระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันดุกันอยู่นั้นเนี่ยฮะเรือก็ลอยไปตามกระแสะน้ําจนถึงก่อไผ่หน้าบ้านของยายแจ่มหมาที่อยู่ในบ้านแกอยู่ดีๆก็หอนเงินเกลียวขึ้นมาเลยละค่ะเด็กชายยุทธก็มองไปตามที่มาของเสียงก็คือบ้านยายแจ่มพอแสงของตะเกียงในเรือสาดไปโดนสิ่งที่เด็กชายยุทธเห็นก็ทำเอาเกือบช็อกนั่นก็คือ ร่างของผู้หญิงชาราผมขาวโพลนทั้งหัวนั่งอยู่บนหัวบันไดแล้วก็ ค, อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองทั้งคู่หน้าตาของแกเนี่ยขาวซีดดวงตาลึกแต่ว่าไม่มีลูกกระตาแล้วอยู่ดีๆแกก็ยกมือขึ้นมาชี้นิ้วมาที่ทั้งคู่ในขณะนั้นเด็กชายยุทธก็สติแตกละค่ะแหกปากร้องดังลัน่นในขณะที่เด็กชายยุทธตกใจไม่ได้สติอยู่นั้นพี่ชายก็เป็นคนรวบรวมสติได้ก่อน รีบตะโกนบอกให้เด็กชายยุดตั้งสติแล้วรีบช่วยกันพายเรือออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดแต่ว่าเนื่องจากความเป็นเด็กนะฮะเด็กชายยุธหลังจากได้ยินเสียงของพี่ชายแล้วด้วยความตกใจช็อก บวกกับสติแตกเด็กชายยุดก็เลยรีบลุกขึ้นจากเรือวิ่งไปหาพี่ชายในจังหวะนั้นก้าวพลาดค่ะทำเอาเรือทั้งลําถึงกับล่มเรือพลิกคว่ำลงมะพร้าวที่บรรทุกมาเต็มลํากระจัดกระจายลงเต็มผืนน้ําทั้งสองคนก็เลยตกลงไปในน้ําทั้งคู่รีบตะเกียกตะกายเข้าริมตะลิ่งตรงก้าอวตรงข้ามกันกับบ้านของเ ย, ยจําเนี่ยนะคะทั้งสองคนพากันวิ่งหนีไปตามสวนมะพร้าวท่ามกลางความมืด แต่ว่าในระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยคุณผู้ฟังหูก็ได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังมาอีกทั้งคู่วิ่งจับมือกันแน่นเพราะกลัวจะพัดจากกันไม่มีใครกล้าหันไปมองข้างหลังพี่ชายพาเด็กชายยุดวิ่งไปตามทางสวนมะพราะ้าวอาศัยว่าแถวนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยชำนาญทางอยู่บ้างในระหว่างที่วิ่งอยู่เสียงหัวเราะก็ยังคงดังไม่ขาดสายจนกระทั่งทั้งคู่วิ่งทะลุมาถึงร้าน เป็นบ้านของคุณนาะที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะคะพอเด็กทั้งสองคนามาถึงแล้วก็รีบเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผู้ใหญ่ในบ้านฟังหลังจากนั้น คุณนะ้าก็ให้ลูกน้องกลับไปเก็บเรือที่คว่ำอยู่แล้วก็พาเด็กทั้งคู่เนี่ยไปส่งที่บ้านแม่พอตอนเช้าคุณแม่ก็พาเด็กชายยุทธแล้วก็พี่ชายไปไหว้ขอขามาเ ย, ยแจ่มที่หน้าโกรธที่อยู่วัดเพราะคิดนะคว่าเย่แจ่มแกมาหลอกน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กชายยุทธเอาลูกมะพร้าวไปปาหมาแล้วก็ไปโดนบ้านของแกแกอาจจะโกรธ เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังถ้าชอบฟังเรื่องผีติดตามได้ที่เพจพระเจอผีค่ะบน Facebook หรือว่า YouTube นะคะช่องพระเจอผีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ